สุขเวทนาอคิเวสนาสุขเวทนานั้นแม้เกิดขึ้นแล้วแก่เธอก็ไม่ครอบงําจิตตั้งอยู่ได้เพราะความที่กลายเป็นของอันเธอเจริญแล้วคือเจริญวิปัสนาอย่างดีเนี่ยนะทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ครอบงําจิตตั้งอยู่ได้เพราะความที่จิตเป็นของที่เธอได้เจริญไว้ดีคือเป็นคนที่เจริญจิตตะภาวนาหรือเจริญสมถะไว้เป็นอย่างดีเรียกว่าเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาอย่างดีเนี่ยนะจึงไม่ติดในสุข และไม่ถูกทุกข์ครอบงำอคิเวสนาสุขเวทนาแม้เกิดขึ้นแล้วเป็นสองฝ่ายแก่ใครใครอย่างนี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่ได้เพราะความที่กายเป็นของที่ตนเจริญแล้วเพราะเจริญวิปัสนาภาวนามาเป็นอย่างดีจึงไม่ติดในความสุขทุกขเวทนาแม้เกิดขึ้นก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะความที่จิตเป็นของที่ตนเจริญแล้วคือเจริญสมถะแล้วเป็นอย่างดีเนี่ยนะ อคีเวสณะอย่างนี้แหลเชื่อว่าเป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วเชื่อว่าเป็นผู้มีจิตอันเจริญแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเจริญกะวิปัสสนาภาวนาไว้ดีเยี่ยมไม่ติดในสุขเจริญสมถะไว้ดีจะไม่ถูกทุกข์ครอบงำ น, น, นะนะสังเกตดูว่าถ้าแหมถ้าได้รับความสุขนี่นี่หน่อยหก็แหมติดข้องเหลือเกินหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมวอาอะไยอาวณ์อยู่ในสุขเหล่านั้นแหละแสดงว่าเราไม่ได้เจริญวิปัสสนา แต่ถ้าถูกความทุกข์ครอบงำเนี่ยนะมีเรื่องไม่สบายใจนิดๆหน่อยๆแก้ไม่ได้ก็แปลว่าไม่ได้เจริญสมถะเลยนะีนะก็ดูว่าสมถะทั้งหลายไม่ให้ติดในสุขวิปัสนาไม่ให้ถูกทุกข์ครอบงำจิตใจน่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งสมถะวิปัสนาเคียงคู่กันไปนั่นแหละจึงเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลสังเกตเครื่องวัดดูนะว่าติดในสุขมากไหมถ้าติดในสุขแสดงว่าวิปัสนาอ่อนกําลังเต็มทีหรือไม่ได้เจริญเลยถ้า แม้ความทุกข์เราใดเราหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็เสียอกเสียใ จ, จยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เก็บมาเสียใ จ, จยไปหมดก็แสดงว่าสมถะไม่ดีเนี่ยนะมันสมถะทำให้พ้นจากทุกข์วิปัสนาทำให้ไม่ติดอยู่กับความสุขน่นะอ่ะทีนี้ สัจการนิครณเนี่ยนะนักกระทบกระเทียบก็พูดแบบกระทบกระเทียบว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อพระสมนะโคโดมอย่างนี้ว่าอันที่จริงนะพระโคโดมเป็นผู้มีกายอันเจริญแล้วเป็นผู้มีจิตอันเจริญแล้วแสดงว่าพระองค์น ะ, จะเจริญทั้งกายญภาวนาจิตตภาวนามาเป็นอย่างดีนะอคิเวสนะวาจานี้ท่านนําเข้ามาพูดกระทบอย่างแน่แท้เนี่ยนะก็พูดกระทบกระเทียวนะพระองค์ก็รู้นะคือคือบางคนเนี่ยมันลีลาจัดใช่ไหม ลีลาจัดเล่เหลี่ยมจัดชั้นเชิงเนี่ยจัดมากเพราะพระองค์ก็รู้ว่าเอนี่พูดอย่างงี้ก็แบบอะไรนะพูดชมแบบกระทบดูสิคือคื อ, คอบางคนเนี่ยมันมีนิสัยอย่างนั้นอ่ะนะชอบกระทบชอบล้อเลียนชอบทากทางชอบพูดเหน็บเพื่อจะดูว่าอีกฝ่า ย, ยานนเขาจะทํำยังไงนะเขเลยเรียกว่ากระทบดูอ่าอุ้ยก็คือตอนแรกก็มามาพูดแบบ อ, อุ้ยพวกท่านน ะ, จะเจริญแต่จิตตภาวนาท่านไม่จเจริญกายภาวนาหรอกเดี๋ยวก็เพี้ยนสรอกเนี่ยนะ นะพร อ, องก็แก้ไปเอามาจบอาพอจบปับ๊บอุ๊ยแสดงมาท่านนะเจริญทั้งกายยะภาวนาเจริญทั้งจิตตภาวนาแกล้งชมเลยแกล้งยอเลยนะยอกระทบนะดูซิว่าจะตอบว่บายังไงพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้ยท่านยกมาพูดเนี่ยพูดกระทบนะนี่กันนันเรียกว่าพูดกระทบกระเทียบนะนี่แต่ก็เอาเถอะเนี่ยนีเราก็จะพยากรณ์แก่ท่านนะคือถึงจะพูดกระทบพูดจริงใจไม่จริงใจก็จัง อ, อาจจะจริงใจหรือไม่จริงใจก็ช่างเถอะเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ตอบให้ท่าน อคิเวสณาเมื่อใดแลเราได้ปลงผมแลหนวดครองผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเนี่ยนะก็คือพูดถึงตอนบวชพูดถึงตอนบวชหรือว่าก่อนบวชเนี่ยนะสุขเวทนาเกิดขึ้นจากครอบงําจิตของเราตั้งอยู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากครอบงําจิตของเราตั้งอยู่ดังนี้มิใช่ฐานะอันจะมีได้ สัจการนิครนก็บอกว่าสุขเวทนาเห็นปานใดที่เกิดขึ้นแล้วพึงครอบงําจิตตั้งอยู่สุขเวทนาเห็นปานนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่พระโคโดมเป็นแน่แท้ทุกขเวทนาเห็นปานนั้นจะทุกขเวทนาปานใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงําจิตตั้งอยู่ทุกขเวทนาเห็นปานนั้นจะไม่บังเกิดขึ้นแก่พระโคโดมเป็นแน่เลยบอกทาไมจะไม่มีแล้วเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเล่าว่า สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจักครอบงำจิตก็ไม่ใช่ฐานนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ครอบงำจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากบวชมาแล้วเนี่ยนะสุขเกิดขึ้นก็ไม่ครอบงำจิตทุกเกิดขึ้นก็ไม่ครอบงำจิตเสร็จแล้วสัจาจารย์นิครนก็บอกว่าเฮ้ยแสดงว่าท่านไม่เคยได้รับความสุขชนิดครอบงำจิตละมั้งท่านไม่เคยได้รับความทุกข์ทรมานเจ็บปวดชนิดครอบงำจิตละมั้งท่านก็เลยอะไรนะ สุขทุกข์เลยไม่ครอบงําจิตของท่านพรุทธเจ้าบอกว่าทําไมจะไม่มีเนี่ยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไงเล่าให้ฟังว่าเคยทุกข์เจ็บปวดมาขนาดไหนเนี่ยนะคือเขาไม่เชื่อไม่อยากเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะผ่านความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งมาขนาดนี้ในชะ่ไหมใครจะคิดว่าแหมพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะอนุพยัญชนะเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีรัศมีเหาะเป็นต้นได้ใครจะคิดว่าพระองค์เนี่ยเคยผ่านความเจ็บปวดมา มันสัจการนิครนก็บอกว่าท่านไม่เคยได้รับความเจ็บปวดท่านไม่เคยมีความสุขอย่างลึกซึ้งท่านไม่เคยมีความเจ็บปวดจนชนิดน้ําตาร่วงสิท่าปัางนั้นนะพระองค์ก็บอกว่าทําไมจะไม่มีเนี่ยนะพระองค์ก็เลยแสดงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอย่างสูงการแสดงพุทธประวัติให้ผู้ใดฟังเนี่ยเป็นการประกาศาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาที่สูงสุดในพระศาสนา เรียว่าวัตถุที่ตั้งแห่งศรัทธาเพราะว่าคนที่ศึกษาพุทธประวัติศึกษาความเป็นไปของพระพุทธเจ้าศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะโดยมากจะมีศรัทธาเลื่อมใสยอย่างยิ่งเนี่ยนะโดยปกตินะแต่ก็มีบางคนบางคนที่ไม่เลื่อมใสอันนี้ก็ปริมาณน้อยพระองค์ก็เล่าพุทธประวัติของพระองค์เนี่ยนะในอดีตให้สัจการนิครณฟังว่าอักขิเวสนะในโลกนี้เนี่ยนะก่อนแต่ แต่ก่อนที่เราจะได้ตรัสรู้ตอนเมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ตอนนั้นเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทีเดียวตอนที่เราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยนะเราได้มีความปริวิตกมีความตรึกมีความคิดขึ้นมาว่าคารวะเป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีคือราคะเป็นเครื่องเศร้าหมองใจเป็นต้นเนี่ยนะส่วนบรรประชาเป็นโอกาสอันปลอดโปรง่ง การที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์คือศีลสมาธิปัญญาให้เต็มเปี่ยมโดยส่วนเดียวประพฤติปฏิบัติให้ศีล ส, สมาธิปัญญาบริสุทธิ์ดุดโดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขา ด, ดีแล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายภาคอะไรเราพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาเสาพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเนี่ยนะคิดว่าบวช ด, ดีที่สุดเหมือนกันนะนะ ว่าแหมเป็นคารวาสมันยากเหลือเกินที่จะมันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาจนไม่สบายใจจนได้นั่นแหละมันบอกว่าบวชสิบวชแล้วมันลองเป็นเจ้าวาดดูจะรู้สึกหน่อยนะก็ดีพูดอย่างนี้ได้เราไม่ได้เป็นพูดสบายเนี่ยพูดยังไงก็ได้อาคีเวสนะโดยสมัยอื่นเรากําลังนมเกษายังดําสนิทตอนนั้นมีวัยเท่าไหร่ยี่สิบเก้าใช่ไหมยังบริบูรณ์ด้วยด้วยความยาวเรียกว่าความนมอะนะเครื่องเจริญปฐมวัยอยู่ทีเดียว เมื่อมารดาบิดาไม่ประสงค์จะให้เราบวชทั้งมารดาทั้งบิดาพาการร้องให้น้ำตาหนองหน้าอยู่ถึงอย่างนั้นเราก็ปลงผมและหนวดครองผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบัญปชิตเมื่อเราบวชแล้วก็สแสวงหาอยู่ว่าอะไรคือกุศลก็คือสแสวงหาอริยมรรคว่าอริยมรรคเป็นยังไงเนี่ยนะค้นหาความสงบอันประเสริฐ ที่ไม่มีความสงบสิ่งใดจะประเสริฐยิ่งไปกว่าคือพระนิพานมันสแสวงหาอริยมรรคกับพระนิพานสแสวงหานิโรธสัจจากับมัคสัจจะสแสวงหานิโรธเพื่อทําให้แจ้งสแสวงหาอริยมรรคเพื่อการเจริญเนี่ยนะเราก็เข้าไปหาอาลาลดาบทกลามโคดแล้วก็ได้กล่าวข้อประสงค์อันนี้กับอาลาลดาบทกลามโคดว่าความประสงค์คืออะไร สแสวงหาว่าอะไรคือกุศลสแสวงหาความสงบอันประเสริฐที่มีความสงบอื่นไม่เทียบเท่าคือพระนิพพานพอเข้าไปถึงก็ปรารถนามากเลยเนี่ยนะปรารถนาที่จ ะ, ะบรรลุคุณธรรมอย่างนี้ก็เลยเข้าไปหาอ า, าลาระดาบทการามโคดบอกว่าท่านการามะเราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวิไนนี้ด้วยคือคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสํานักนี้เขาสอนอริยมรรค สอนทมพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นเข้ามาศึกษาในสำนักนี้ก็ไปขอเรียนด้วยเนี่ยนะอคีเวสนะขั้นเรากล่าวอย่างนี้แล้วอาลาละดาบทกาลามโครได้กล่าวตอบกับเราว่าเชิญยูเธอท่านถ้าบุรุษผู้รู้แจ้งธรรมะนี้เป็นเช่นท่านคำว่าวินยูชนเช่นท่านเนี่ยนะจะปฏิบัติไม่ช้าก็ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งของตนแม้ฉลาดแบบท่านนะธรรมวินัยนี้เรียนไม่ยากหรอกเนี่ยนะ หัวดีแบบท่านปัญญาแบบท่านมีความรู้ความสามารถแบบท่านมาเรียนเถอะไม่นานหรอกท่านจะรู้แจ้งทั้งหมดแหละรู้แจ้งชนิดเรียวกัเทียบระดับอาจารย์เลยทีเดียวเนี่ยนะรู้แจ้งขนาดนั้นเลยแหละอคกิเวสนะเรานั้นเล่าเรียนธรรมะนั้นได้ฉับไวแท้ไม่นานเลยอคิเวสนะเรานั้นแหลกกล่าวยานวาาเทรวาท ยานวา่พูดตามปัญญาเถราวาพูดตามอาจารย์ด้วยการเผยริมฝีปากพูดเท่านั้นแปลว่าอาจารย์เพย์ปากแล้วก็หุบปากทางนี้เรียนจบฉลาดเรื่องนั้นฉลาดเท่าอาจารย์เนี่ยนะเอางี้ดีกว่าถ้าคนบอกว่าลืมตาดูไอคนที่มีตาก็ลืมตาดูเหมือนกันจะเห็นเหมือนกันไหมนั่งอยู่ด้วยกันแล้วบอกลืมตาดูสิเขาเห็นอะ่ะมันก็เห็นเท่ากันแล้วต้องพูดอะไรมากมายมันก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละแบบนั้นนะความสา ม, มารถของพระโพธิสัตว์ขนาดนั้นเนี่ยนะปัญญาของท่านขนาดนั้นว่าอาจารย์พูดมาเถอะ ว่าภ า, าระการบอกเป็นเรื่องของอาจา ร, รย์ภ า, าระการฟังเป็นเรื่องข้าพเจ้าอาจา ร, รย์พูดจบ ก, ก็เขารู้เท่ากับอาจา ร, รย์เนี่ยนะเมื่อไหร่นะอาา่านพระไตรปิฎกปับ๊บเห็นพยัญชนะก็รู้เลยใช่ไหมว่าอย่างนี้ต้องซ้อมอีกนานเนี่ยนะปัญหาว่าไม่ซ้อมเลยแบบอยากจะชนานาญแบบนั้นบ้างบอกโอ้ยบางก็บอกว่าท่านนี้อ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกเก่งจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นเราอ่านหนังสือเราอ่านทั้งวันละเกือบ8ดชั่วโมงเนี่ยอ่านอยู่เกือบสิบปีเองนะถ้าอ่านอย่างนั้นนานๆเขา้าเขามาว่านะบางคนก็บอกว่ า, า, น, านเก่งจัง แก่งอะไรถ้าอ่านเท่ากันนะวันนี้เขาเาอาจจะล้ำหน้ากันหมดแล้วเนี่ยนะเราอาจจะล่าหลังคนอื่นทั้งหมดเนี่ยนะแต่เชื่อเถอะพูดยังไงเขาก็ไม่ยอมอ่านมากตามหรอกมัน อ่านในนิดๆหน่อยๆเขอ้างเหตุนั่นอ้างเหตุนี้อันนั้นถ้าเป็นพระเนนด้วยนะทำท่าทําท่าจะอ่านดีอยู่สามวันเนี่ยนะวันที่สี่คิดถึงญาติวันที่5คิดถึงโยมวันที่6กอโ น, นนก็ยังไม่ได้ทําอันนี้ก็จะไปเอาไปเอามาก็ไม่อ่านแล้วพระไตรปิกไม่นึกอยากเรียนอภิธรมขึ้นมาตรอนตรอนไปละเอาอ่านไปได้หน่อยหนึ่งคิดอยากเรียนบาลีเข้าอีกแล้วไอเรียนบาลียังไม่ทันจบคิดถึงอภิธรรมเวียนไปเวียนมาเป็นจ้าวา่าอะไรกันี่หมดเรื่องกันนะ เจ้าวาดก็แปลว่าอะไรก็เป็นพานโรงรับเฝ้าอาคารปัดกวาดเช็ดทูดูแลทาความสะอาดหม้ไปชาติหนึ่งโอ้แนวไรเลยเนี่ยนะที่ก็คือต้องพยายามจับประเด็นว่าเออสาระของการบรวชสาระของการปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยนะมันถ้าถ้าหากว่ามีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนะเปิดโอกาสแล้วก็ทุ่มเทในการศึกษาอย่างไรเสียมันก็ต้องเข้าใจก็ต้องรู้อยู่แล้วละเนี่ยนะแต่แมมก็บอกแมมทําไม ฟังแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยฟังแล้วมันเข้าใจยากยากเนี่ยนะเอาเข้าจริงๆแล้วฟังมากี่ชั่วโมงแล้วเ่าบอกเพิ่งได้ยินบอกโอ้ยได้ยินแล้วรู้เรื่องขนาดนี้ก็บุญหนักบุญหนาแล้วเนี่ยนะปกติแล้วเขาบอกว่าขนาดบางคนแนละ้วฟังมารู้กี่กีป่ปีแล้วก็ฉลาดเท่าเดิมเดิมเนี่ยนะบางคนมีอยู่องค์หนะึงอู้อ่าเือหนังมาตั้งหลายปีก็ไม่ได้ว่าจะฉลาดอะไรมากมายเนี่ยนะขเขาก็อ่านอยู่ตั้งนานแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ความภาคเพียรพยายามความตื่นตัวด้วยที่จะ ศึกษาบางคนก็อ่านก็อ่านอย่างนั้นแหละสักแต่ว่าอ่านไม่พยายามจะเข้าใจไม่พยายามจะรู้ตามว่าพระพุทธเจ้าแนะนําบอกสอนอะไรบางคนก็ฟังฟังจริงๆบกากคนนั่งหลับฟังเนี่ยนะอันนั้เมื่อก่อนนิยมคนหนึ่งมานั่งหลับอยู่อย่างเดียวเลย นั่งหลับหลับเสร็จแล้วก็เออตื่นตื่นพร้อมกับเราเลิกพูดพอดีเลยนะ่นะจะบรรยายเวลาไหนก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละโอ้ยก็มานึกอในใจนะทําไมแกเสียสละขนาดนี้เดินทางไกลมาจากบ้านเพื่อจะมานั่งหลับในห้องเรียนน่ะนะเราก็พูดจบแล้วเขาก็กลับไปเนะี่ยโอ้ยมันนั่งหลับมันสบายตรงไหนเมื่อยก็เมื่อยปวดก็ปวดก็หาที่นอนในหะ้มันสบายไปเลยก็ดีกว่าเหมือนกันก็เป็นอย่างงี้แหละแต่กโ็โลกเป็นอย่างนี้แหละจะไปคิดอะไรมากเล่าให้ฟังเฉย ในในสูตรนี้ก็จบว่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นี่ก็ไปเรียนเรียนอะไรเรียนลัดทีแนวทางของสำนักอาราละดาบทจบโดยถ้าอาจารย์พูดจบก็พระโพธิสัตว์ก็รู้ด้วยอันหนึ่งเราย่อมปฏิญาณคือพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเรารู้เราเห็นไม่ใช่แต่เราพูดเดียวเท่านั้นถึงพวกอื่นก็สามารถพูดว่า เรารู้เราเห็นว่าความเข้าใจในลทัทธิอันนี้มีหลายคนอคีเวสนะเรามีความปริวิตกเกิดความคิดขึ้นว่าอาลาลดาบทกาลามโคดเขาไม่ได้พูดคำสอนในศาสนานี้เพียงแต่ศรัทธาอย่างเดียวคือพูดจบเข้าใจเลยว่าคนที่พูดนั้นน่ะไม่ได้พูดแบบคนที่เชื่อแต่พูดแบบคนเข้าถึงเรียกว่าพูดแบบคนเรียกว่าพูดถึงเงินกับ พูดถึงเงินแบบคนมีเงินกับพูดแบบคนไม่มีเงินไม่เหมือนกันพูดถึงคําว่าเงินแบบคนมีเงินพูดกับคนไม่มีเงินพูดเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นอย่างเขาบอกว่าพวกที่เรียนค้าขายเนี่ยเอกเจ้าของกิจการพูดถึงค้าขายกับพวกเรียนค้าขายในกระดาษเนี่ยยังไงมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะพระโพธิสัตว์ฟังปั๊บเข้าใจเลยว่าไอ้คนพูดเนี่ยเขาปฏิบัติได้อย่างนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นอาลาละดาบทเนี่ยคงต้องรู้คงต้องเห็นในธรรมวินัยนี้อย่างแน่แท้เขาต้องบรรลุธรรมะที่เขาพูดแน่แท้เลยเนี่ยนะอคกิเวสนาเราก็เลยตกอยู่ในระหว่างเกิดความคิดก็เลยเข้าไปหาอารา ล, ะละดาบทกลามมโคดพูดคํานี้กับอาลาลดาบทกลามมาโค ว, ว่าท่านกลามะท่านรู้แจ้งจนอะไรก็ว่ารู้แจ้งเองแล้วสามารถบอกสอนให้คนอื่นรู้ธรรมวินัยอย่างนี้ได้ใช่ไหมก็บอกว่าใช่เนี่นะ เ e. สร็จแล้วบอกว่าท่านสอนเราได้ไหมก็บอกได้เนี่ยนะมันพระโพธิสัตว์พอฟังจบปั nice. ๊บก็บอกว่าไม่ใช่อาลาละดาบทเท่านั้นที่มีศรัทธาเราก็มีศรัทธาไม่ใช่อาราละดาบทคนเดียวรอกที่มีวิริยะถึงเราก็มีวิริยะไม่ใช่อาราละดาบทคนเดียวรอกที่มีสติเราก็มีสติไม่ใช่อาราละดาบทคนเดียวรอกที่มีสมาธิถึงเราก็มีสมาธิไม่ใช่อาลาละดาบทคนเดียวรอกที่มีปัญญา ถึงเราก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีศรัทธามีสติมีสมาธิมีปัญญาพอที่จะปฏิบัติให้รู้ตามอาลาระดาบทได้เน่เทเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วก็อาลาระดาบทก็สอนนะสอนว่าสอนวิธีการเจริญเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ปฏิบัติอยู่สองสามวันเท่านั้นเข้าเนวสันเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติเหมือนคนคลี่ม่านเจ็ดชั้น ชำนาญในปฐมฌานพร้อมกับการนึกการเข้าการดำรงอยู่การออกการพิจารณาเสร็จแล้วก็ชำนาญในทุติยฌานในการนึกในการเข้าในการดำรงอยู่ในการออกการพิจารณาเนี่ยนะวสีหคูณสมาบัติ7เนี่ยนะภายในสองสามวันเรียบร้อยเนี่ยเสร็จแล้วพอจบอย่างนั้นหมดก็เข้าไปหาอาจารย์